บทนําบ่ายวันหนึ่งผมได้เข้าไปพบหลวงพ่อสุมโนพิกขุรเราได้สนทนากันตามประสาอาจารย์และลูกศิษย์พอใกล้ถึงเวลากลับหลวงพ่อก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่ามีคนจํานวนมากยังไม่เข้าใจว่าโลกนี้ดาไปด้วยความน่าเบื่ออย่างไรท่านจึงอยากให้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเบือ่อขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไป ได้เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นหลังจากนั้นท่านจึงได้เมตตาให้คำแนะนำถึงหัวข้อที่จําเป็นที่ท่านอยากให้มีในหนังสือเล่มนี้และนั่นคืองานที่ผมได้รับมอบหมายมาจนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่ผมให้ชื่อว่าความน่าเบื่อที่มองไม่เห็น The Invisible Boredom ผมได้พยายามถ่ายทอดเนื้อหาในแง่มุมต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่ประสบการณ์ของผมไปถึงและหากมีสิ่งผิดพลาดประการใดผมขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนแสงเทียนเล่มเล็กๆที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกท่านได้เริ่มพิจารณาชีวิตของท่านเองอย่างลึกซึ้ง จนเข้าใจความจริงในที่สุดผมมีโอกาสเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังคิดว่าตนเองมีความสุขอยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นเลยคือความสุขที่ตนเข้าใจว่ากำลังมีอยู่นั้นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านค่อยๆค้คนพบความจริง ของสิ่งที่ทุกท่านกำลังหลงว่ามันคือความสุขมาตลอดชีวิตว่ามันใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังได้รับอยู่นั้นคืออะไรแล้วอะไรกันแน่คือความสุขที่แท้จริงเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นท่านจะเริ่มรู้เป้าหมายของการเกิดมา รวมถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่และในที่สุดท่านจะมีความพร้อมที่จะเริ่มออกเดินทางเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงด้วยตัวของท่านเองความสุขที่แท้จริงนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิดหรือการพิจารณาหากแต่ท่านต้องทดลองและสัมผัสมันด้วยใจของท่านเองดังนั้นจึงมีแต่เพียงผู้ที่เริ่มออกเดินทาง และมีประสบการณ์ตรงต่อสัจธรรมเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ How to ของวิธีการปฏิบัติธรรมหากแต่เป็นเพียงการจุดประกายเล็กๆ เ, เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักชัดถึงความจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งจนสามารถที่จะตัดสินใจ และเริ่มออกเดินทางจนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงด้วยตัวท่านเองในที่สุดหนังสือเล่มนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสุมโนพิขุแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำสองตาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แปลในภาคภาษาอังกฤษซึ่งผ่านการแปลเบื้องต้นจากคุณกนิษฐ์กิติธรกุลในส่วนภาคภาษาอังกฤษนั้น จะอยู่ในครึ่งหลังของหนังสือเล่มนี้ครับความเป็นสองภาษาของหนังสือเล่มนี้นั้นเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหากท่านใดสามารถเข้าใจได้ทั้งสองภาษาผมแนะนําว่าให้ท่านอ่านทั้งสองภาษาแล้วท่านจะได้รับอัธรต ที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนครับคาม f ฟลา e หนูวิ่งบนสายพานแม้ว่ามนุษย์เรานั้นจะเต็มไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมจนกระทั่งถึงพันธุ ก, กรรมที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่กำเนิด แต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันนั่นก็คือต่างลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับความสุขเราลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยหวังว่าจะได้ความสุขแต่แล้วจนมาถึงวันนี้เราแน่ใจแล้วหรือยังว่าเราได้รับความสุขนั้นแล้วและในตอนนี้ ผมอยากให้พวกเราที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองว่าเป็นอย่างไรในตอนที่เรายังเป็นเด็กเราจะร้องไห้เพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาเช่นความสนใจของเล่นขนมอาหารความต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมและอื่นๆ อ, อีกมากมายเมื่อเราได้มาเราจะหยุดร้อง และแน่นอนคงไม่มีใครจําได้ว่าแต่ละคนเสียน้ำตาไปในวัยเด็กเท่าไรเพื่อจะได้ความสุขในแต่ละครั้งพอเราเริ่มโตขึ้นเราต้องเรียนหนังสือเตรียมตัวสอบเรียนกวดวิชาชีวิตในวัยเด็กได้หายไปแล้วและชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขันได้เริ่มขึ้นเราเองมีความคาดหวัง ทั้งยังถูกคาดหวังจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนดีๆมีผลการสอบที่ได้อันดับดีๆเกรดดีๆเราพยายามไปตามความคาดหวังนั้นเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราทำสาเร็จดังที่หวังเราจะได้ความสุขแต่แล้วชีวิตแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขนั้นกลับเต็มไปด้วยความเครียด ความกดดันความทุกข์จนหลายครั้งเราเริ่มมีคำถามกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราเริ่มไม่แน่ใจเริ่มสงสัยกับความสุขที่ได้มาว่าแท้จริงการดิ้นรนที่จะได้ความสุขนั้นมันสุขหรือทุกข์กันแน่พอเราเรียนจบเราต้องการงานที่เราชอบเงินเดือนที่น่าพอใจ บริษัทที่สามารถให้ความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้และเราคงรู้สึกมีความสุขเมื่อเราได้มันมาตามที่คาดหวังรูกเงื่อนไขแต่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเงื่อนไขดีๆแบบที่คิดเอาไว้ณจุดนี้ความสุขเริ่มหายยากขึ้นเพราะอะไรอะไรก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ใจต้องการและแล้ว ความดิ้นรนที่จะได้ความสุขความพอใจเพื่อสนองความต้องการครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกแล้วก็เกิดขึ้นอีกเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้นทำไมมันไม่จบสิ้นเหรอเพราะความต้องการของเราไม่เคยมีวันหมดเราไม่เคยพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เราต้องการอีกต้องการอีก แล้วก็ต้องการอีกและแม้เมื่อทุกอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือสถานะทางการเงินแต่เราก็ยังไม่พอใจกับชีวิตเท่าไรเพราะชีวิตกลับเริ่มน่าเบื่ออีกครั้งความทุกข์เริ่มคืบคลานเข้ามาชีวิตเริ่มเรียกร้องหาความสุขครั้งใหม่พวกเราต้องการความสำเร็จครั้งใหม่ เพื่อเป็นพลังขับดันให้มีชีวิตต่อไปได้ไม่อย่างนั้นชีวิตคงน่าเบื่อและไร้ความหมายสิ้นดีดังนั้นเป้าหมายของการสร้างครอบครัวจึงเกิดขึ้นเด็กๆจะมาเติมเต็มชีวิตเราให้สมบูรณ์ส่วนคนที่ไม่มีคู่เขาเหล่านั้นเลือกจะเลี้ยงหมาแมวปลาทองกระต่าย แม้กระทั่งหุ่นยนต์ตุ๊กตาทั้งหมดเหล่านั้นเพียงเพื่อสิ่งเดียวคือความหวังที่จะได้ความสุขเรามีความสุขด้วยการพึ่งพิงสิ่งภายนอกตลอดชีวิตพึ่งพิงคนอื่นพึ่งพิงสิ่งอื่นเราไม่เคยรู้จักที่จะมีความสุขโดยปราศจากการพึ่งพิงสิ่งใดๆในโลก และชีวิตที่ผ่านไปของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็เริ่มแก่เริ่มป่วยและสุดท้ายคือเราทุกคนต้องตายในที่สุดเหล่านี้คือชีวิตของคนส่วนใหญ่โดยสังเขปและเมื่อพวกเราทุกคนสามารถมองย้อนกลับไปตามสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าบางคนมีครบพร้อมทุกอย่างเรียกว่า ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทีเดียวอยากได้อะไรก็ได้วางแผนอะไรในชีวิตก็เป็นไปตามแผนตลอดแต่คำถามที่ผมอยากให้พวกเราลองตอบตัวเองอย่างซื่อตรงในตอนนี้สักหน่อยคือเราได้ความสุขจริงๆอย่างที่เราคาดไว้แล้วหรือยังและถ้าคำตอบคือใช่คือรู้สึกว่าได้ความสุขแล้ว คำถามต่อไปคือตอนนี้เราหยุดแสวงหาความสุขใส่ตัวได้แล้วหรือยังเรายังต้องการนี่ต้องการนั่นอยากไปนี่อยากไปนั่นอยู่หรือไม่เราหมดตัณหาความอยากความดิ้นรนทางใจแล้วหรือยังจิตใจเราว่างจากความดิ้นรนแสวงหาใดใดในโลกแล้วหรือยัง ถ้าคำตอบคือยังนั่นแปลว่าในส่วนลึกเรายังคงไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เรายังต้องการอีกเรามีความหวังจะได้ความสุขสมบูรณ์มากกว่านี้อีกทำไมเรายังไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราคาดหวังทงั้งทั้งที่ผ่านมาเราเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นคือความสุขนั่นก็เพราะว่า สิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนั้นมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่ผ่านมาเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขลวงหลอกความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่เหมือนเงาที่พอจะเอามือคว้าก็กลับพบแต่ความว่างเปล่าเราวิ่งไล่จับเงาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยจับได้จริง และจะไม่มีวันที่จะจับได้จริงดังนั้นคำถามตอนนี้จึงกลายเป็นว่าถ้าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดคลื่นค่อนชีวิตยังไม่สามารถให้ความสุขได้จริงอย่างถาวรแล้วอะไรคือเส้นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความหลุดพ้นไปจากความทุกข์ เมื่อพ้นไปในขณะนั้นจะได้พบความสุขที่แท้จริงทันทีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆรวมทั้งกิเลสตัณหาความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขจากความอิสระจากพันธนาการทั้งปวงที่เคยร้อยรัดเราเอาไว้ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นใดในโลกนี้หรือโลกไหน พระพุทธองค์ทรงสอนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเอาไว้ให้แล้วนั่นก็คืออริยสัจสีให้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจนเห็นผลเถิดแล้วจะไม่ต้องดิ้นรนลำบากวนเวียนทำแบบเดิมตั้งแต่เล็กจนโตเกิดจนตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะการกระทาแบบนั้น ไม่ต่างกับหนูวิ่งอยู่บนสายพานที่จะต้องวิ่งจนเหนื่อยจนตายไปกับสายพานนั้นครั้งแล้วครั้งเล่านับพบนับชาตไม่ท้วนและไม่ใช่เพียงคนรุ่นเดียวที่จะต้องเป็นหนูวิ่งบนสายพานแต่วิถีของหนูวิ่งบนสายพานกลับถูกส่งต่อไปยังลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยไม่มีใครเอ็ดใจเลยว่า กำลังทำสิ่งเดิมๆวนไปวนมาไม่รู้เท่าไรและตราบใดที่ยังต้องเกิดอยู่ชีวิตเชกเช่นเดียวกับหนูที่วิ่งอยู่บนสายพานก็จะคงอยู่ต่อไปดั่งเงาตามตัวและถ้าวันนี้เราตระหนักถึงชีวิตของหนูที่วิ่งอยู่บนสายพานนั้นอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจว่า การมีชีวิตเป็นหนูตัวนั้นมันสุดแสนจะน่าเบื่อขนาดไหน